นั่งปฏิวัติธรรมกรันมะเช้ามีนักปฏิยตัติธรรมที่เป็นคนเก่าไปถามธรรมะหลังจากฉันข้าวเสร็จตอนเช้าคำถามก็คือว่าการปฏิธรรมการใส่เจตนาลงไปเนี่ย มันถูกต้องหรือไม่เพราะาทีตัวเองก็สับสนทัานต้องนี้นปฏิวัตริร ม, มานานแล้วว่าการที่มีเจตนาเนี่ยอันนั้มันยังไม่ได้เป็นระนาวของการปฏิบัติที่ถูกต้องบางทีมีครูบาอาจารย์สอนบอกให้ใส่เจตนาลงไปในการเคลื่อนในการกระทบสัมผัส ในส่วนตัวของเขาก็บอกว่ามันไม่ถูกแต่ผมราตมาบอกว่าใส่คะแนนถูกให้ไปเลยเพราะว่าเราก่อนปฏิบัติเราก็เจตนาทำดีคิดดีพูดดีเจตนาคิดไม่ดีพูดไม่ดีเจตนาคิดชัว่วพูดชัว่วเจนั้นมันส่งผล เป็นวิบากเป็นความลำบากขัดแย้งภายในเจตนามันคือกรรมเหมือนหลักกฎหมายถ้าไม่ได้เจตนาโทษมันเบาแต่ถ้ามันเจตนาลงไปมันมีน้ำหนักก็น้าย่อาน้าบ่งมันเคยทุกค์ามีปัญหาต่างๆมากมายสังคมเศรษฐกิจการเมือง บุคคล 1, 2, 3สาวัตถุนึงสงสการเงินการทองปัญหาหนี้สินต่างๆมันก็จึงมีพฤติกรรมเจตนาคิดเจตนาพูดเจตนา ร, รมไปตามอารมณ์ที่มันสั่งบางทีก็งหงุดหงิดบางทีก็วิตกกังวลบางทีก็โล ก, ก็โกรธก็หลง แล้วแต่ถึงขั้นกุ้มคลั่งก็มีนอกจากเป็นแบบชนิดอ่อนๆก็คือกรสัตกรส่ายการสับกระสายเห ม, มือนกับมันร้อนลุ่มอยู่ภายในแต่ไม่รู้มันมันร้อนเพราะอะไรมันก็เรียกว่าเกิดความขัดแย้งลำบากขึ้นมาเป็นความทุกข์ไใ น, ในผลของการกระทา จะมีการเปรียบเทียบเหมือนกับล้อเวียนหมุนตามรอยเท้าโคนะก็มีการสร้างไว้เป็นปริศณาธรรมอยู่ที่สวนธรรมนะสวนเลเลลายกะนะนะอันนั้นก็หมายถึงว่าคนทําอย่างใดนะนะก็จะมีผลของกรรมเช่นนั้นตามไปเหมือนล้อเวียนหมุนลอนตามรอยเท้าโค ทีนี้พอเรามาฝึกสติปัญญาเรารู้วิธีการเราก็มาฝึกกรรมมาตฐานเบื้องตน้นกรรมคือการกระทาฐานคือที่ตั้งเพื่อให้จิตมันหลุดพ้นเรียวิมุตต์นะนะมาจากอารมณ์ที่มันติดมันยึดก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมก็หนามยอม่อหนามบอกเจตนาแหละกรรมฐานก็ต้องเจตนาเหมือนกัน เพราะเจตนาคือกรรมมันมีผลนําทั้งดีทั้งชั่วทั้งเหนือดีเนืชั่วนะเจตนากระทำนะเบื้องตน้นเพราะถ้าไมเจตนาเขาเรียกว่ากะตะัตตกรรมนะมันเป็นโมคะนะมันไม่ให้ผลนะมันทําแล้วมันก็ทำฟรีรนะมันไม่ทําแล้วเออหมือนการเก็บเงินใส่กระปุกนะ เงินก็ใส่เป็นเหรียญที่ได้มาอย่างถูกต้องชอบทำแบงก์กับแบงก์จริงเหรียญกับเหรียญจริงไม่ปลอม้ยมก็ใส่เจตนาใส่เจตนารู้สึกเจตนารู้สึกเจตนาใส่ใจกรรมฐานเจตนากระทํากันใหม่ๆแต่พอหลังจากมันทําไปทําไปทําไปทําไปมันจานานสิรับเนี้ย ก็เหมือนเอาตักข้าวใส่ปากนั่นแหละต้องเจตนาที่ไหนอลับตามก็ใส่ถูกหรือว่าจะเดินไปไหนมาไหนอย่างเงนะี้ยก็เดินสบายๆแต่ตอนที่หัดใหม่เป็นไงล่ะทีนีน้ก็ต้องใส่ใจตั้งใจระมัดระวังเจียหละเพราะฉะนั้นกรรมาฐานต้องมีเจตนาเบื้องต้นการทํางานทําการก็ต้องเจตนากระทำ หลังจากที่เป็นชํานาญแล้วไม่ต้องเจตนาความเป็นเออจะเกิดขึ้นมาเปรียบเหมือนก็ใหม่ๆนะครับตัวมันจงเต็มรนทัดมีเส้นมีสายเราก็ ล, ลากเส้นไปแตะบนแตะล่างมันยังไม่ค่อยใหญ่จะแตะอะไรมันเกินล้นล้นอ้วนอ้นผอมๆการคัดใหม่ๆแล้วก็อ่านออกบางทีระมัดระวังว่ายังอ่านไม่ออกก็มีนะพยายามที่จะ เคลื่อนมือช้าชรู้สึกมันก็ยังอ่านไม่ออกก็มีเหมือนกันมันเก็กมันเกรงมันเพ่งมันจ้องแต่ว่าใดหมายถึงว่าพิษนี่คือประสบการณ์ของผู้ใหม่แต่พอทำไปทําไปมีความชานาญก็เคลื่อ น, นก็รู้สัมผัสรู้สัมผัสรู้เหมือนกับจิตเปนวางๆงถูกที่ถูกทางมีความเป็นกลางมีความสมดุลตอบเข้าไต้องเจตนาแต่ ตอนหลังๆไม่ต้องเจตนานทําเป็ น, นแล้วพอทำเป็นแล้วมีคําถามเนี่ยแหละยังถามอยู่ยังยังทำไม่เป็ น, นถ้าเป็นล้วมันหายสงสัยก็เลยวิปัสสนาญาณมันเกิดมันหลุดพ้ น, นมันต่างจากภาวะเก่าๆของเราภาวะเก่าๆคือภาวะที่มันทุกข์ทุกข์ความคิดมันไม่มีอะไรหลอกหอกจากความคิดอินทรียทุกข์ การที่หลงเผลอไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาคิดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทําเจตนาคิดก่อนคนนี้เราเรียกวสติสติก่อนคิดสติก่อนพูดสติก่อนทำสติขณะคิดขณะพูดขณะทำหลังคิดหลังพูดหลังทำมาเป็นอาการระ ล, ลึกรู้นำมารู้ได้ททนความมองไวกลองตัวเพราะนั้นก็จึงพยายาม อธิบายกระยายผลในรายละเอียดเขาก็รับฟังอยู่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจก็ไปทําให้เป็นกันแล้วกันเพราะลาพังความเข้าใจอย่างเดียวไม่ถูกมันต้องทําจนเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจําได้ทําจ่ทั้งมันถูกต้องแล้วเราก็ไม่ทุกเกิดความแจ้งกระจางขึ้นมาในภายในใเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา ตรงนั้นแหละมันเป็นคาตอบที่ถูกที่สุดเรามีคาถามว่าเอออาการเกิดดับเนี่ยมันใช้อาการที่มันเกิดจากา ก, การเคลื่อนกันไหวเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดมันเกิดดับใช่หนรานั่งเดินยืนนอนมันเกิดดับใช่ไเน่ก็บอกว่ า, ชาใช่แต่มันยังไม่ใช่ถูกที่สุด มันมีดับอย่างยาไปหาดับอย่างละเอียดดับอย่างละเอียดนะคือสภาพของจิตจิตวิญญาณมันดับไปใ น, นเป็นนามธรรมมันไม่ใช่ีเลยบทและการที่มันจะเกิดดีบทขึ้นมานะเห็นไหมนะการเกิดดับภายในจิตมันเกิดขึ้นมาก่อนอะไรมันสั่งให้พลิกซ้ายพลิกขวาขยับขยายนั่งเดินยืนนอนมีตัวสั่งอยู่เห็นมันหรือเปล่า ให้ตัวจิตข้างในตัวที่มันแสดงให้เราได้ต้องทำตามมันสำหรัรว่าการเกิดดับแบบนั้นมั น, นมละเอียดแต่เห็นการเกิดดับเมื่อเห็นนี่แหละไตรลักษณ์ที่เราสวดมาสักครู่เห็นด้วยปัญญาว่าความไม่เที่ยงเราก็เอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์เอาความไม่เที่ยงมาเป็นความหลง เราไม่เอาความทุกขนะ์เอาความทุกข์มาเป็นความทุกข์หรือว่าเอาความทุกข์มาเป็นความหลงพอเรามีกายมันก็เป็นก้อนทุกข์นะีมีจิตมีใจมานะคิดนะเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งกายทั้งจิตนะเป็นความทุกข์ทลง่งเข้าไปนะแต่ถ้าไม่หลงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของกายนะจะวรรทุกใช่ไหมเ อ, าอ้าก็ธรรมาชาติของกายนะนั่งก็ต้องเมื่อยไม่เมื่อยได้ยังไง ต้องหายใจต้องพิภตานี่คือธรรมชาติของเข้ า, ขาใจตรงเต้นนะมันเป็นการจะไปบังคับบัญจาหรือไปแทรกแซงอะไรมันก็ไม่ถูกทำงานก็ต้องเหนื่อยรรมาเจ้าหลวงพ่อตนกระเทศเหมือนกันว่าตากแดดไม่ร้อนมันก็ผิดปกติอากาศหนาวไม่หนาวผิดปกติเวลาหิว มันก็เป็นเรื่องของปกตินะไม่ใช่ผิดปกติหิวก็ต้องไปหากินนี่ยหิวแล้วทาเป็นเก่งกนีไม่กินไม่กินไปกินเดี๋ยวโรคกระพราะก็ถามหาอย่างเงี้ยเพรนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเรต้องเห็นอาการก็คือธรรมชาติทางนั้นแหละแต่ถ้าหลงเข้าไปทิเป็นความพอใจไม่พอใจอ่ะคือทุกเอาความทุกข์มาเป็นความทุกข์จิตเนี่ยทุกข์ระยะสั้นสี่การเกิดดับทั้งหมดเป็นทุกข์ในพระไยรักทั้งหมด เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัพสัต์สัพสิ่งทั้งโลกนะมันเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ทั้งหมดนะเกิดดับทั้งหมดนะมีสิ่งไหนก็เตรียมเสียสิ่งนั้นได้นะมีสิ่งไหนนะได้สิ่งนั้นมาเดี๋ยวพัดพรากจากสิ่งนั้นละนะ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเสื่อมทั้งหมดนะตกอยู่ภายกฎของพระไตรลักษนณะ์ทุริยสัตสีคือความคิดของเราที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนาทียิบนะความคิดทั้งหมดนั่นะ วันนี้มีคนมาขอพอรหลวงพ่อเป็นกลุ่มของออครู mm hmm. ที่จัดนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยนก็มาสนามชัยภูมิก็มีครูในจังหวัดชัยภูมิมาต้อนรับกันมากมายนะเพราะครูก็จะต้องมีเด็กต่างประเทศเด็กฝรั่งเด็กต่างชาติมาอยู่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กัน ส่งไปประวัติส่งไปที่อยู่ที่พักนะก็พอใจก็ก็กเลือกก็ได้มาอยู่กันนะแลกเปลี่ยนคนนั้นของเราอยู่กับเขาเขามาอยู่กับเรานะก็มาขอพรหลวงพ่อก็ตั้งใจฟังหลวงพ่อจะให้พรเลยเนาะนะแต่ก็รู้ทางท่านแล้วแหลนะเพราะท่านไม่ได้ให้พรแบบให้ยมติดนะแท่านให้ปัญญาพรก็คือพระอานนะ พรก็คือการที่ไม่หลงไปในความคิดนะพรก็คือการที่เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเวลาเราคิดหลงไปนะไปกดก็กลับมาเป็นปกติเนะี่ยมันคือพอรนะทําเป็นกันหรือเปล่าเลยหลวงชวนชวนให้อยู่วัดชนะวนให้กินข้าวนะให้เข้าครัวไปทำกับข้าวกินกันชนะวนนะนะคือลีลาของครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ทาง ท่านก็นไม่พายโยมลงกันเะเปลี่ยนแค่แสดงออกถึงเมตตาแล้วแนะสดงความจริงนะว่าทุกทุกคนเนะี่ยมันทุกข์กับความคิดทั้งนั้นแหละไม่มีใครหรอกไม่ทุกขนะ์เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นนะอาการต่างๆความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแบบนะั้นเราไม่เอามาเป็นความทุกข์ทั้งหมดแล้ขณะปฏิบัตินะีมันจะต้องเกิดขึ้นมาเป็นการเกิดดับทั้งหมดทุกทุกสภาวะ เราไม่สามารถที่จะประคองสภาวะใดสภาวะหนึ่งได้ทั้งหมด<น>เพราะอะไรเรากฎของพระไติลักษ์นี่แหละเกิดดับเกิดดับเกิดดับแม้กระทั่งตัวส ต, ติตัวปัญญาก็เหมือนกันละเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตของเราเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ว่าเราดูไม่ทันดูไม่ทันเหมือนกับมันเกิดคลื่นลูกแล้วลูกแล้วชัดซัดใช้ฟังชัด สูโครมหายไปเนี่ยไม่สูสูสูสูซัดโครมหายไปมันก็มาละหลอกแล้วละหลอกเราเราก็ดูมันมันเป็นอาการที่มันแสดงออกมาโดยว่าจิตนี่คิดเก่งแสดงออกมาก็สนุกดูแล้วนเนี่ยเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกของจิตวิญญาณเป็นยังไงนี้เองจะไป ทำลายทำร้ายสร้างสรรค์หยุดอย่าคิดแนะ่สั่งก็ไม่ได้เลยแล้วแต่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจากลูกใหญ่ไปลูกเล็กราบเรียบขึ้นระยะห่างผลกระทบทำให้เราทุกข์นี่มันก็ลดลงลดลงลดล ง, ล ง, ล ง, ลงเขา้เขากรรมฐ า, านกันมาหลายวันแล้วเราได้เห็นอารมณ์ที่มนเ บ, นบาๆไม่มีความคิดเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่หนักหนาสาหัส ไม่โหดเหมือนก็ตอนต้นเรียกว่าร่มลุกบุคนคีเดียวหน้าดำกำกําเกียดกรรมฐานได้รับปฏิบัตินะนะบางวันก็ผ่องใสหน้าใสขาวเดินยิ้มมีความสุขบางวันกรติดอารมณ์ออกมาเป็นฝ่ายกสศลก็เดินหน้าดํามืดออกมาเลยเครียดมันเกิดความไม่สบายใจไม่สบายกายขึ้นไหมอึดอัดกัดใจขึ้นไหมแล้วแต่นะ เราก็เลือกแล้วเปลี่ยนทั้งหมดนะเปลี่ยนแค่สภาวะที่เรามากลับมาฐานกายรู้สึกกายรู้สึกตัวเนี่ยตัวกรรมฐ า, านนะั้นมันช่วยได้จริงจริจะนั่งนะเออมันมีคําถาม ม, มีคำถ า, ถามหนึ่งก็กรถามว่าเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาล้วนมีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วเราก็กลับมาฐานกายเลยทําถูกแล้วใช่ไหมตรงเน้นเป็นวิปัสสนาแล้วใช่ไหม เอามาบอกเลยเป็นสมมถะเป็นสมถะการที่เกิดอะไรขึ้นแล้วกลับมารู้สึกที่ฐานกายคือสมถะแต่ถ้าเป็นสภาวะของพี่ปัตตานมจะดูสิ่งนั้นเลยแล้วก็เห็นอาการเกิดดับเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านั้นนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนก็นเราพร้อมเผชิญหน้าทันทีมันเป็นการ เ, าเรียกว่าผ่าน โดยการที่ไม่ได้หลบหลีกไปไหนเลยมันเป็นกําลังนะกําลังของสตนะิที่มันรู้เลยว่าอยู่ในแดนของปกติธรรมอยู่อยู่ในแดนของวิมุตต์หลุดพ้นอยู่มันมีอาการที่มันเกิดขึ้นมาสู้ความคิดแต่มันซัตว์ไม่ถูกมันซับไม่ถึงนะมันมันแยกออกกันเลยนะมันเป็นภาวะที่จะเรียกว่าเชือกหลุดเชือกขาดก็ได้นะเล็กๆน้อยๆไปเห็นอรอยนะของวิปัสสนาที่มันทํางาน พอมีอาการปั๊บมันรู้สึกทันทีแล้วก็วางทันทีพอฝึกดูฝึกรู้มาตั้งแต่ตอนดูฐานกายแล้วพ า, านาจิตทำปรากฏขึ้นมาเงมันก็โอ้ได้คําตอบตัวนั้นน่ยที่หลวงพ่อใช้คำว่าได้ชัยชนะได้ชัยชนะชนะตัวเองก็คือการไม่เห็นความคิดมันได้หลักของกรรมฐานตอนที่รูปรูปรู้รูปรูร้รรนามเบื้องต้นเป็นลักษณะของได้กระแส การได้กระแสปฏิบัติแล้วมันเดินเข้าสู่เป้าหมายเข้าสู่เรียกว่าหนทางเรียกความมั่งอะนะเสร็จแล้วมันก็เริ่มได้หลักก็คือมันมีปัญญามองไวๆพิปิพานมาเห็นตัวคิดมันเลยรู้เลยอ๋ออันั้นคือสมมุติอย่างงี้ย น, นะตัวคิดคือสมมติบันหยัดหลังของสมมุติหยัดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คือตัวคิด เจแล้วมันก็เห็นอารมณ์ปรามัาดลักษณะนั้นเลยนะก็คือการไม่เข้าไปในความคิดนะมันเป็นลนักษณะของอารมณ์ปริมัดนะปรามัดมันก็แสดงตัวออกมาเห็นจักด้วยเห็นะไม่เอามาเป็นความพอใจไม่พอใจนะนะดูอยู่รู้อยู่ปกติอยู่นะนะมันก็ตรงไปตรงมากรรนะนะมฐานสมถะคือการไปจมอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือว่าหลบหลีก หรือใช้วิธีคิดต่างๆมองโลกในแง่ดีต่างๆนะกระบวนการโยนิสระปฏิการต่างๆนะคือกระบวนการของสมถากรร ม, นะมฐานสมถาสี่สีวิธีคือการคิดอย่างถูกต้องนะใช้ความคิดจนกระทั่งนะเป็นหลักการเหตุผลนะทำใจให้แยกคายนะอยากแยกคุณค่าแท้คุณค่าเทียมต่างๆปลูกเล่าคุณธรรมต่างๆมองโลกในแง่ดนะีสาวหาเหตุสืบสาวหาเหตุต่าง ๆ, ๆ คิดแบบสามันลักษณะคิดแบบปัจจุบันขณะคิดแบบวิพัฒนาวัฒนก็คือคิดกันหัวเดียวมันก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วจะรีบสรุปมันก็กลายเป็นผลกระทบก็เลยช่วยกันระดมสมองมากระไรๆหัวหลายๆคนเสร็จแล้วเราก็ลองแยกแยะกันคุณคิดยังไงคิดยังไงคิดยังไงแต่เป็นประชาธิปไตยก็ใช้ลักษณะของเสียงส่วนใหญ่ ถ้าเป็นสังฆาธิปไตยก็ใช้เสียงทั้งหมดถ้าเป็นธรรมมาธิปไตยก็ต่างคนต่างคิดไปกันแล้วกันถูกของคุณถูกของคุณถูกของคนถูกของคุณไม่ว่ากันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะคิดแบบของธรรมมาธิปไตยแต่ถ้าอเอาโลกเป็นใหญ่โลกก็ว่ายังไงก็ไปตามกระแสของโลกก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะสมัยก่อนโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองต้องเสียงเงิน ให้กับทางโรงเรียนจะมีครูการเงินคอยรับออกใบเสร็จให้แต่ปัจจุบันนี้วันนในระบบการศึกษาภาคบังคับมันเปลี่ยนไปครูต้องจ่ายตังค์ให้ผู้ปกครองต้องเขียนเช็คเขียนอะไรให้กับผู้ปกครองการตำเหล่ทําลาจุดนักเรียนต่างๆมันก็แปลกดีเหมือนก็บเรียกญี่ปุ่น เอาเงินไปฝา ก, กเขาเราก็ต้องเสียตังให้กับเขาก็ากรักษา <Yeah. S 2> แต่เมืองไทยนี่เราฝากธนาคารธนาคาร้าารองใจดอกเบี้ยให้กับเราแต่เดนินดอกก็ลดลงลดลงลดลงลดลงล ด, ล ง, ล, ดลงไปทุกทีเมื่อ <Yeah. Yeah. S 2> ก่อน <Yeah. S 2> ซื้อโทรศัพท์มือถือต้องวางมัดจำ <Yeah. S 2> เดี๋ยวนี้แทบจะไล่แจกกันส <Yeah. S 2> ิมสมัยก่อนต้องซื้อกันเบอร์ละสี่ห้าพันบาทนี yeah. ่ yeah. เดี๋ยวนี้นี่นแทบจะล็อกคอไล่แจกันเลยฟรีฟรีจากการรักษาเบอรนะ์เดินประมาณ 4-500 าบาทนะสบายก่อนกินฟรนะีแต่ตอนหลังนี่สบายอย่างนะี้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะสะดวกขึ้นสบายขึ้นการกินการอยู่ก็เหมือนกันสะดวกขึ้นสบายขึ้นสมัยก่อนวันไหว้พระจันทร์จะได้กินขนมไหว้พระจันทนระ์ ยุคนี้ไปเลยร้านไหวพระจันทร์มีสมัยก่อนขนมเทียนขนมเค็งจะต้องได้กินเมื่อถึงหน้าเทศกาลเดี๋ยวนี้ไปหาเลยมนะีขนมเทียนชาววางขายตลอดเมืนะ่อก่อนจะได้กินนะเป็ดกินไก่กินหัวหมูต้องไหวตรุษจีนนะเดี๋ยวนี้อยากกินม่ได้ก็ไปซื้ อ, เ, อเต็มไปหมดมันะมสะดวกขนาดนั้นนะกลายเป็นโทษนะกลายเป็นโทษถ้าเราไม่มีปัญญาพอไม่รู้จักมันนะ เราเห็นโลกตามความเป็นจริงกระแสเป็นอย่างนี้แหละเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาก็เปลี่ยนใช้ลักษณะของคนที่เปลี่ยนมาพอก็เปลี่ยนมาเราก็เปลี่ยนใจขเขาเชื่อเขาสนิทอ้ไเจนกระทั่งบงันทีไม่รู้มนจะเปลี่ยนอะไรนกเงินก็ไม่พอใ้เราก็เห็นกันอยู่เกิดสังคมที่มันวุ่นวายสับสนมากแต่เรามันได้หลักก็คืออยู่แบบ รู้สึกตัวอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติคอยบอกคอยสอนคอยนำชีวิตของเราหรือนะ ว, ว่าทรมภายในที่เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวนะความรู้สึกจากยาไปหาละเอียดนะมันมีกำลังทำให้เกิดพลังขึ้นแมมันก็อยู่ได้นะจะทำอะไรก็กลายเป็นเรื่องของนะการดำริขึ้นมาเช่นอุปโลกนะอุปโลกนะอย่างวันนี้นมาก็อุปโลกตัวเองนะให้เป็นช่างตีตะปู ก็ต้องตีให้ถูกเนละถ้าตีไม่ถูกโอ้โไม่มื่อพังนะเดี๋ยวนะก็ต้องเอาละวันนี้ปีนขึ้นไปเป็นพระไม่ได้แล้วนะเป็นช่างอุปโลกต้องทําหน้าที่เป็นช่างนะลองดูนั่นดูนี่เผลอนิดเดียวก็ร่วงลงฮะอุปโลกเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์สงฆ์ก็เพื่อเพื่ อ, อ, อ, เ, อ, เ, พอเพื่อแผ่ทําดีวันนี้มีคําถามก็คนเดิมเนี่เจ้าของคําถาม การที่กอ่อสร้างเยอะๆเนี่ยนะมันทำให้เสื่อมนะวิธีถามก็นนะแล้วก็เป็นพระกรรมฐานไปกอ่อสร้างอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาจิตไปทางไหนเนี่ยมันจะไม่ใช่ความหลงเลิศอมาคิในใจแล้วเราอุปโลกตัวเรากำลังอุปโลกตัวเองทุกครั้งที่ทำหน้าที่จะอุปโลกตัวเองกันดำริ จะทำอะไรเพื่ออะไรเนี่ยเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าไปทาแล้วก็แล้วไปทำแล้วก็แล้วไปทําดีไม่ติดทีดมอยู่ตรงนี้กุฏ<ม>ิสวยๆใหญ่ๆเนี่ยเจ้าของคำถามอยู่แล้วติดเนี่ยไม่เป็นกิเลสเหรอ <c oughs> ตอบว่างไงดียยอมตัก ถ, ถามเนี่ตอบว่างไงเ้า<ฮ>กิเลสได้อยู่ที่กุฏิใหญ่กุฏิเล็กมันอยู่ที่ว่ามีแล้วกรอดแล้วโลภแล้วหลง อยกติใหญ่ๆแล้วโหรธอยู food, in ่กติใหญ่ๆแล้วทุกข์ะกิเลสทั้งนั้นะถ้าอยู่ไม่ทุกข์เหมือนไมอะไรเลยการที่มีรถมีบ้านมีเงินมีทองเกิดจากความขยันอาะคนไม่ใช่เขาโลภแต่ถ้าอยู่แล้วยังโกรดอยู่มีแล้วยังทุกข์อยู่นั่นๆกิเลสกิเลสอยู่ที่ว่าเออมีแล้วไม่พอนั่นๆกิเลสผลขวยญตันหากิเลสแต่อยู่เฉยๆมานี่ก็เรียกว่าราก ลาบไม่ใช่โลกใช่ไหมโยมถ้าโลกออกไปหาอะไกินเล่นนะลาบคือมันมาเองแล้วเราก็วิเคราะห์โดยพิจารณาดูมันคืออะไรควรใช้ไม่ควรใช้ใช่ไหมมีสิทธิ์เลือกนี่ยมีสิทธิ์แต่ว่ามาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาตามเหตุตามปัจจัยถ้าปรารตนาอยู่ข้างในคือเปิดหนาอยู่แบบธรรมชาติ อยู่แบบเรียบง่ายอยู่ด้วยความรูเ้รเนื้อรู้ตัวตัวนี้ไปอย่างนั้นเพราะฉั้นการดํารีอุปโลกเนี่ยตรงนั้นแหละเหมาะแก่การงานอย่างเช่นการสอนทำในกระทงดํารีอุปโลกเหมือนกันนะอุปโลกขึ้นมากระถินนี่ก็ต้องอุปโลกพารูปเนี่ยเป็น้าที่สมควรรับกรถินเป็นผู้ที่รู้ทำนะควรกับการยกย่องในภาษานี้ มากมายเหลือเกินที่จะอุปบลกันขึ้นมาตามสมบติบัญญัติเพราะถ้าเรารู้สมมติล้วก็อยู่สมมติไม่ต้องทุกข์ก็ได้ไก็ทําไปในกรอบความดีความงามควรทําเิยธรรมศิลธรรมว่าทําประเพณีสังคมนิยมกฎกติกามารยาทต่างๆมีอยนะู่แต่สนห้าสิน 5, 8, 10, 10, 10, 7, แปดสินสิสินสองอยี่สิบเจหรือว่าสินสามอเอ็ข้อมีอยนะู่เดี๋ยวเพราะว่าความรู้สึกตัวนี่ความเป็นปกติอันนี้ มันจึงมีภาษาพูดกันว่าไม่พูดกันแล้วเดี๋ยวคุณก็ตีความไปเองถต่ว่าวดูแล้วก็เห็นอาการต่างๆที่แสดงออกมันก็คิดกันไปได้ต่างๆนานาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คิดไม่ถูกคิดไม่ตรงถ้าคิดตรงเนี่ยก็มีน้อยเต็มที อ, อย่างเช่นว่ามันมีนิทานเซนเขาใช้วิธีไม่พูดกันพระรูปหนึ่งก็ทํางานอยู่เลย เขาปลอกตัวเองเป็นพระที่กวาดลานวัดนะถือไม่กวาดมากวาดกวาดกวา ด, วาดพระรูปนึงก็จรมานะปรากฏว่าเขาอยากจะมันพักที่วัดเนี้ยขออนุ ญ, ญาตนะพักปัจันนี้ก็ไม่พูดนะเห็นพระที่เขากาลังกวาดกวาดกวาดอยู่ก็เลยส่งรหัสบอกว่า นี่นะเราเป็นสมณะเนี่ยเรามีพารัตนไตรเป็นที่พึ่งนะของเราเนี่ยเรามีพระพุทธนะกะต็ตอบพระพุทธอีกรูปหนึ่งก็กตอบว่าอืมนี่นะยกสองนิ้วมาโยม รูปที่หนึ่งก็ยบห น, หนึ่งนิ้วมาพพรูป ท, ที่สองเาก็ยกสองนิ้วเลยม่มีหนึ่งก็มีสองนะพาอีกรูปหนึ่งก็ยกสามนิ้วขึ้นมาไม่พูดกันพาอีกรูปหนึ่งก็เลยยกกําปั้นขึ้นมาองที่ฝานะ่ยยกกำปัน้นพาอีกรูปก็กลมกลาบกลมกลาบสามครั้ง แล้วก็เดินข้ามาในวัดพอมาเจอพระผู้เป็นพี่ชายของพระรูปที่หนึ่งนะที่อยู่หน้าวัดกวา ล, า น, ลานวัดอยู่ก็บอกโอ้โ oh, ห oh, น้องของท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ mm hmm. นมีธรรมะรู้ธรรมะพี่ชายว่าทำไมหรือเกิด อ, อะไรขึ้นพระที่เป็นผู้พี่ก็ตอบว่า โอ้ไม่ใช่พระทีเ่เป็นผู้ที่เป็นอาคันตุการนะก็ตอบว่าเรามาถึงปป๊บเรายกเลยพระพุทธน้องท่านนี่เจ๋งมากต่อพระธรรมทันทีสองแล้ก็เลยบอกว่ามีพระสงฆ์เนี่ยคือพระรณไตรันะน้องท่านก็บอกว่าทั้ง3เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งรวมกันก็คือกรรมมัดเนี่ยรวมกัน เป็นหนึ่งเดียวเราก็เลยเขาลบพระธรรมก้มกราบแล้วเราก็เดินมาหาท่านเนี่ยเเพื่อที่จะขอที่พักพี่ชายก็เลยบอกว่านั่นนะศาลาไปพักในศาลาดูเนาะ mm hmm. ก็เดินไปจากพี่ชายปรากฏน้องก็หลังจากกวาเสร็จก็เดินมาหาพี่ชายไหนไหนไหน พะองคมา่กี้ที่เข้ามานะมันอยู่ที่ไหนพี่ชายว่ามีอะไรหรือน้อยแหละมาถึงแป๊บยังไม่ทันอะไรเลยทาตัวเป็นศัตรูอยาเงี้ยทำไมเหรอก็มันว่าน้องอะ่ะว่าไงเหรอมาถึงแป๊บมันบอกเลยว่าน้องอมีตาเดียวคือก็ตาบอดไงตาบอดหรือข้างเดียวก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งน้องก็ตอบว่าก็ดีโชคดีที่ท่านมีสองตา น้อยนะ่มันยังบอกว่าเราสองคนรวมกันมีสามตายกมาสามนิ้วเงี้ยดูมันดูมันน้องก็เลยกำหมัดจะชกมันนะเดี๋ยวมันกลมกาบก่อนน้องก็เลยอืมดีรู้จักจานึกผิดํานึกบาปไปปล่อยให้เข้ามาไหนไหนมันอยู่ไหน น, นี่คือการไม่พูดกันใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วก็ตีความมากมายแล้วก เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นนั้นคุยกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะมีอะไรมาพูดมาคุยกันเหมือนกับคนประเทที่มาถามถามจอ่อทีเดียวก็เป็นเจ้าสานักกันนะเราก็เคยสึกยันต์าไปแล้วเคยศึกพระยันตะาพระดังสมัยก่อนนะจนตั้งไกลๆก็ตั้งฉาย า, ยายอะไรมากมายเรื่อยก็ใช้ได้ทีเดียวสมัยหนึ่งนะเคยถามอ่ เคยถูกถามมานะว่าเนี่ยเนียเกมือสร้างจังหวะเงี้ยมันใช่ปฏิบัติธรรมหรือเล่าแล้วเล่าอีกตรงเนี้ยเป็นพระเปลี่ยนเก้าประโยคสายธรรมทูตนะสหรัฐอเมริกามาที่วัดนี้ช่วงเกวบลมถ้าเดินเนี่ยเดินทางมาถึงบัดเป่าสกตแล้วก็มาสอบถามเง้แสดงวโอ้แสดงว่ามาตรวจสอบแล้ว พวัดมหาธาตุมันเจอคำถามเนี่ยแต่เรามีทำไหมปฏิบัติธรมรมยังถ้ามันหายสงสัยว่าไม่จนหรือคำตอบจะไปจนเลยคําตอบทําไมต้องเคลื่อนมือสิบสี่ยังไงก็ไม่เห็นแปลกเลยมาวัดเป่าสุตตวอาจารย์ก็สอนยกมือเรียนตามท่านเรียนตามพ่อก่ทําครูยกตามแค่นึงก็ถูกแล้วแต่ถ้าไปสํานักอื่นๆแล้วก็ทําเหมือนของเขาก็เรียกว่าทําตัวนะ สอนน้อมท่อมตนทําตัวให้เขาดูแลเราเลี้ยงง่ายมันเป็นทางที่ไม่เสือ่อมนะที่ว่าเช้าเราสวดมงคลสังกันแล้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามายกไม้ยกมืออย่น้อยตำนักนี้ก็าสอนแบบนี้ก็ยกอะไรที้งการที่สุดก็คือมันไม่ใช่แค่นี้นะการยกมือสิบสี่แหวนะมันมีการคู่เหยียดเคลื่อนไหวนะอันนี้ในตำรามก็บอกไว้ชัด การที่เรามาฝึกมาหัดเนี่ยการเคลื่อนการไหวมือตามตำรามันก็น่าจะใช้ได้นะกูเข้าเหยียดออกพวกนี้อีกอันก็คือเมื่อเราปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าการเคลื่อนการไหวองกายนะไม้มือนีมันก็เหมือนกับเท้าเคลื่อนเท้าเดินจงกรมยกมือทีละจังหวะเหมือนกันตัวเดียวกันนะมือมันเคลื่อนกระท้ามันเคลื่อนเป็นอวัยวะส่วนหนึงของร่างกายเรา ก็เป็นเจตนากระทําเมื่อเราเจตนาคเคลื่อนตรงนีนะ้อันนี้มันจะทําให้สติเจริญเติบโตได้ไวการดูลมหายใจนั่งหลับก็ยังหายใจได้ลองยกมือแล้วนั่งหลับที่ยกมือขึ้นหรอกขอมาแรงนะก็บอกเขาอย่างนี้แล้วนะที่มันใกลสุดก็คือนะวิธีการนี้ไปที่วัดมหาธาตนะุไปก่อนเพื่อนเลยแต่ว่าไม่ได้รับการนิยมเพราะว่านะมันถ้าทางแปลก ยกงยกไม้ยกมือมันดูไม่สง่างามลวกลิดหรือแล้วเหมือนกับยกมือเต่ากลางเหมือนมีตะปบ อ, อกมีตะปบ อ, อกเคยเห็นไหมหมีตะ ป, ปอบอกปึบปึบปึบปึบปึบปึบปึบปึ บ, ปบงงนะเป็นกระบานโยกแยกบ้างอะไรบ้างนะแล้วแต่เขาจะให้ใชา้ ย, ยาแต่นี่แหละนะมันคือวิธีปฏิบัติที่มันเป็นทางลัดสั้น ก็คุยกับเขาแต่นี่คือคําตอบที่หลังจากถามเขาว่าท่านบวช ท, ทําไมไอทีบวชมาถึงถึงขดาษนี้แล้วเนี่ยบวช ท, ทําไมเพราะการที่ไม่รู้เรื่องตรงนี้แสดงว่าท่านบวชไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านบวชไปทําอะไรอีกอันก็คือถ้าท่านถาวนี่ถา้าท่านมาลองภูมิค น, นมาลองภูมิแล้วโดยว่าผมเลิศ ม, มานล้วนะ คำถามบนีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการลองภูมิจิตภูมิธรรมกันพันไปที่ไหนถ้าเกิดการสงสัยอาบาว่านะให้กลับมาที่ความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวความสกก็ตอบให้เองอย่าเพิ่งไปคิดหาคำตอบแล้วคิดถามเดี๋ยวจะได้คำตอบเพราะว่าสัาธรรมต้องปรากฏจากภายในของเรานแะหละคือของจริงมาวัดเพื่อที่จะกลับไปบ้าน บวบพษษุทธาสนาบ้านวัดโรงเรียนบวบนะเมื่อเรารู้ที่วัดเราไปที่บ้านนะรู้ว่าอยู่โรงเรียนอยู่โรงงานอยู่โรงพยาบาลอยู่ราชการต่างๆตัวเดิมก็คือรู้สึกตัวขณะเดินรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวสิ่งเดียวกันในรูปแบบนอกรูปแบบแนะตัวรนี้มันจะทําให้เราไดนะ้หลักของการดําเนินชีวิตนะเราสามารถที่จะนะเลือก อนุก็สงก็เอือเฟื่อเผื่อแผ่โดยการอุปโลกหน้าที่ขณะต่อขณะเมื่ออยู่ ก, กับลูกอุปโลกตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ขึ้นมาเมื่ออยู่กับเพื่อนเราก็อุปโลกเราเป็นกระเดมิดกับเพื่อนของเราเพื่อนแทนะ้เพื่อนมีหนึ่งถึงจะน้อยเนะดฝาร้อยเพื่อนคิดบิดสยามเรือมีหนึ่งน้อยด้วยราคายังดีกว่าน้ําเค็มเต็มทะเลนะเมื่อมังมีมากมายมิดหมา ย, ม, ม, ายมองเมื่อไม่มีมลมอง มิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมองมาเมื่อหมดมวยหมูหมาไม่มามองเนะมันเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> เราก็เลยนะล่ะอยู่ร่วมกันแบบเพื่อนฟูการะยามิตรชวนกันใครทําอะไรได้ก็ไปท้ามกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันแล้วกันนะเราก็จะพยายามช่วยเหลือกันทุกๆอย่างไม่กระทั่งอารมณ์ปฏิบัติก็ตามมีพระอยู่รูปหนึ่งนะในเนี่ย ตอนนี้เก็บอามอยู่เงินเดือนแสนห้าโยมทํางานระดับหัวหน้าเป็นผู้นําในเครือของเรือนท่านนะนะปฏิบัติเสร็จนะโอ้ยไปเล่าอามให้หลวงพ่อฟังนะทีแรกตั้งใจปฏิบัติแก้เดือน2เดือนนะมาบวชเนี่ยพอปฏิบัติได้อามปฏิบัติขอลาปีงเลยขอลาออกเลยไม่ต้องเอาแล้วเงินเดือนแสนห้าเป็นโยมกล้าลาออกไหมโยมอันนี้กล้าลาออกเลยนะ แต่ด้วยความเป็นคนมีคุณภาพเขาบอกว่าให้บวชไปแค่เพนหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาทํางานแล้วก็เอาใหม่แต่ตอนนี้ให้บวชไปเลยปรากฏว่ามาเล่าอารมณ์ปฏิบัติให้หลวงพ่อคําเขียนฟังหลวพ่อคำเขี ย, ขยก็ชื่นชมอยู่นะพาอารมเนี่ยมาเล่าให้ผมและอาจารมาฟังเมื่อสองสามวันก่อนเออมาต้องอย่างนี้กันบ้างแหละปฏิบัติตามคนจริงก็ต้องรู้ของจริงละนะคนไม่จริงก็ทําอะไรบ้าๆบอๆไป ทำแล้วก็เป็นกตัต ก, กรรมก็คือกรรมที่ไม่ให้ผลทำเล่นๆไม่ใส่เจตนาไปเพระดังนั้นต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ต้องมีฉันทามีริยะมีจิตตาวิมังสาพอใจที่จะทำมันไม่ใช่ตัณหาหรอกบอกให้เลยคนไปตีความไม่ถูกขนาดที่แบบทาหากอยากได้ไม่ใช่หรอกก็พอใจที่จะทำรีกว่าพอใจไปทำงานอย่างอื่น ทำดีทำชั่วอันนี้กรรมาฐานมันเป็นฉัมท้านะมาทำแล้วมันก็เป็นวิริยะนะคือทำแล้วมีอารมณ์ปฏิบัติโล่งโป่งเบาพิติมันก็ชวนทําขยันไปเลยนะวิริยะมันเกิดขึ้นมาบางทีไม่อยากกินไม่อยากพักหรอกบานะงทีไม่อยากไปพูดไปคุยกับใครหรอกอารมณ์ปฏิบัติมันเกิดขึ้นมานะต่อมาก็คือใส่ใจสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทํา เวลาเราเป็นนักกรรมฐานแล้วแต่เจ้ายันมืดเราใส่ใจจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะทําอะไรก็ตามใส่ใจกระทบสัมพันธ์รู้สึกเก็บเกี่ยวอารมณ์กายที่มันมีกายในกายเป็นความรู้สึกที่เกิดขณะเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยกายจิตวิญญาณตัวนี้นะเป็นเป้าหมายของเราเราก็ใส่ใจรู้สึกรู้สึกชกมันถ้าเป็นนักมวยชกเข้าตาชกเข้าตาเดี๋ยวกันโดนน็อกเอง ต่อมาก็คือพิสูจนะ์ดูใครควรพิสูจน์ดูว่าเวลาออกมาจากความคิดไม่ทุกข์ใช่ไหมเกยทุกข์เรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องอดีตเรื่องนาคตต่างๆความหลงความรักความชังอีสาลิสยาบรรเลเบาบางไปอย่างไรทุกครั้งที่กระทบสัมผัสรู้สึกเบืนะ้องต้นก็ช่วยเราซะแล้วนะความหนักหัวายเป็นความโล่งโปร่งเบาเหนะมือนกับหัวกระโหลกมันกลวงไปเลยนะ ขยะความคิดหายไปไหนก็ไปรู้นะฮะมันก็จะได้ตัวศรัท ธ, ธาความเชื่อขึ้นมานกลายเป็นศรัท ธ, ธาบุญกัญยาไม่ได้หลงโง่หลงงมงนเป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วเออสัจธรรมมันปรากฏกู <นะ S 2> บาอาจารย์ท่านพูด จ, จริงแท้ๆการเดินตามรอยมันจริงแท้ๆลอยกวางรู้เนื้อรู้ตัวนะก็จึงพูดให้ฟังตลอดวันนี้นะก็ขอให้พวกเราทุกคนทีปฏิบัติธรรม สนใจใส่ใจในธรมไฟในธรรมก็ขอให้นะสามารถที่จะพัฒนาจิตของเรานะเห็นทุกในเบื้องต้นในท่ามกลางนที่สุดนะจะทั้งหมดทุกในประชาชินี้โดยตัวหนากกันทุกตั้งทุกคนทัเทืน